สาระนะสาระพวกเราว กันยายนของอเมริกาภาพข้ะวั28กันยายนของเมืองไทยก็เช้าวันที่21กันยายนสองวันที่สําคัญนะ้นรียเว่าะวันเนี้องค์การไปโลกวอากาศวันเนี้ยเป็นวันรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตายโรคลย มีาคามสำคัญมากว่ามนุษยชาติาหลายคนมีติดกับตักความคิดติดกับสั่งอารมณ์หมอที่ทำเงินได้มากที่สุดตอนนี้คือหมอจิตแพทย์ทำเงินได้มากที่สุดรบเงินมาลงมาห น, นักิตอา비ยาคือรได้สูงมากต่อปี เพราะครงการไปโลกเนี่ยวัเป็นวันช่วยกันรณโรงค์กันเพราะว่ามนุษย์ใจแค่ตอนนี้กําลังเครียดแล้วไมอยากอยู่ในโลกไปนี่ยพยายามดูดฆ่ตัวเองเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสุขภาพเกิดผมด้อยด้อ่าตัวเอง ไม่รู้จักความคิดไม่รู้จักรู้เท่ารู้ทางอารมณ์ก็นเลยค่าคุณเนี่ยเราเลยมารู้สึกตัวอวอกจากความคิดเพื่อให้ความคิดมันเป็นปัญญาและวเกิดคุณค่าเป็นไม่ใช่ค่าคุณเป็นคุณเป็นค่าทำประโยชน์ได้ วันนี้มันป้องกันการฆ่าตัวเองนั่นแหละแต่ว่าพรุ่งนี้ที่นี่11กันยายนเป็นวันป้องกันการฆ่าคนอื่นมันไม่ฆ่าตัวเองมันจะฆ่าคนอื่นก็คือเหตุการณ์ช็อตตัวตึกเวอร์เน็ตเซนเตอร์นั่นเองที่ผู้ขอคอะไร่ฆ่าแพทยี่ไปสี่รัง บนเ็จเซ็นเตอร์โดนไปสองลังไตทาก้อนไตทาก้อนไปตบทุ่งนาอีกหนึ่งลังที่แบบหลายคน ก, ก็เกิดการฆ่าตัวเองเกิดการฆ่าผู้อื่นเพราะอะไรเพราะความคิดจิตวิชาหรือศีลจิตเกิดการใส่ฆ่า โท่สาโมหลโลภพโลโคตกโลอินเดียแดงเมื่อไม่กี่วันไปดูมาคุณออองศาผ่านไปวันถุรันไปดูแลเห็นร่องรอยการโดนตามล้าฆ่าล่าเผ่าพันธุ์เห็นรอย ลดพยายามที่จะขยายอำนาจพยายามที่จะระดมทรัพยากรต้องการค่าท่าปริวาลแล้วระดมเข้ามาจนกระทั่งมันเกิดการเบียงเบียนเบียงเบียนปุ๊บเบียดแดงก็พยายามจะสร้างกรอกลอ้องกันมีฟอง ไม้ใหญ่ก็จตประมาณหนึงฟุตึ้นลายประมาณถึงฟุตความสูงก็ประมาณ4เมตรถึงห้าเมตรเพื่อป้องกันตัวเองจัด ก, การลูกลานจัด ก, การเบียดเวียนสู้แบบหมาจนตรอด ใครสุดยอดสุดทนอาจจะเหลืออยู่บ้างเป็นลูกครึ่งลูกเสี่ยวปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกมีการเรียกว่าล้างธิ้ล้างสมองเพื่อให้มีความเชื่อเดียวของผู้ยิม น, นาสต์เกิดการเวียนเวียนผู้อื่นฆ่าผู้อื่นเมนฆ่าลัาเ่าพานเวียด น, นาม คริสเข้าไปพูดเกี่ับแตกสลายอะไรมันี้เป็นสุขรามศาสนาถ้าเราจิดตรนะนัะเราจิตนนะรตรนะหนกว่ความคิดที่ยมันไม่ใช่ธรรมดาอะไ ร, ร, ร, ร, ร, ร, รถ้าเราไม่ได้รู้เท่ารู้ทันรู้จักความคิดของเราเอ ง, องนี่อันตรายขาตัวเองก็ได้ทำร้ายผู้อื่นกันกรายวาจาใจนะ ใช่วงนี้ะเป็นเทศการที่ประเทศไทยเป็นเทศการปฏิบัติธรรมสามวันวันแป้นหนึ่งวันบ้างห้าวันบ้างสิบวันบป้งแล้วแต่และที่เพื่อที่จะปลุกปลุกให้ตื่นเ น, เนให้ออกมาจากอารมให้ออกมาจากความคิดปลุกกันให้ตื่นไม่ให้หลับไหลพืชคน จนไม่เห็นทิศเหนืาคก็คือรลวงปู่เทียนกินลาโพธกินลามายมย่อมมือนักสร้างจังหวัดไปอย่างสมันหรื ว, ว่ากรรยากาที่งานแ ม, มา่เท่าที่ดูในจอเมืองไทยแลหลา ย, ลา ย, ลายวคนปริบัติเป็นแท้เลยครับตามบ้านก็มีตามบ้านกมิ เป็นเดียวเดียวแล้ปฏิบัติกันแล้วก็วัดการสํานักหลวงอู่เทียนเลยก็แบบปฏิบัติกันเพื่อจะเห็นตัวเองรู้จักตัวเองและโดยเฉพาะไอ้ตัวตนที่ชื่อว่าความคิดอุตส่าห์ตัวตนของไม่ใช่ว่าให้ตัวตนหายไปไม่ใช่แต่ให้รู้จักตัวตนของเรารู้จักตัวตนของทุกคนเนี่ยภาษาตัวตนของทุกคน ให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือทำดีคิดดีพูดดีทาดีตัวตนไม่เด่นอยถุงของไเงตัวตนยังอยู่แต่ถ้าเรารู้เท่ารทันตัวตนที่เชื่อความคิดมันจะเป็นปัญญาคิดแล้วแตพูดคิดแล้วแต่ทำคนะเป็นปัญญาส่วนอุรสาหกรรมฐานนั่นกับโลกอุตสาหกรรม จะทำหน้าที่ที่อย่างตรงและถูกต้องมีหน้าที่อะไรแลว้วก็ทำไปรู้จักเรามีหน้าที่อะไรต่อตัเองตอบผูอสังคมนะแต่แ ว, วันนั้นมันมีความหมายแม่แม่วันที่13กันยา ย, ยนอีกวันสองวันจะถึงแล้วว่าปฏิบัติบูชาครับคสอนมีของู้เรียนเจียโปมีคําสอนชัดเจนออกมาจากความคิด ความคิดเป็นฝอให้เกิดอารมณ์ออกมาแล้วรับรู้รับสราบคิดแล้วก็โกรธเป็นยังไงคิดแล้วก็ลงเป็นยังไงคิดแล้วก็พูดเป็นยังไงคิดแล้วก็ทำเป็นยงไงคิดแล้วไปอดีตเป็นยไงเป็นสุขเป็นทุกข์คิดแล้วไปนานก็เป็นยังไงเป็นสุขเป็นทุกข์คิดเลยววพาวิจาร์เป็นยังไงมากความคิดตัวเดียวเงสร้างปัญหาหรือว่าสร้างประโยชน์ดอย่างมากมายมหาโลกจรงคือความคิด ทักหน้าแล้วกรใจโรคเนี่ยคือความคิดที่เห็นไม่ใช่คืออะไรคิดไปยนต์มากายกองวิชาแตกฉานล้นโลกเลยมีการการใหม่ๆเยเกิดจากโรคคือสมมุติคือความคิดเกิดแล้วความรู้สึกตัวยึดรวบรวมของเราเป็นคนเดียวมัรู้ึกซัวแล้วมีสติเกิดเป็นสติฐาน สติกับมารู้จักตัวเุจาดการตัวเหตก่อนจการกายวาจาจัดการยกจัดการกับระเบียบก่อนเรื่องตัวทุกครั้งที่รู้สึกเป็นแฝงความไม่หลบทุกครั้งเมื่อเข้าไว้ใช่หมมหาสติไี่หลงเรียน ที่เนี่ยเมื่อสักเมื่อวานเมื่อวานมันถูกมีฝรั่งมาประกบ ค, คนหนึ่งเมริกันมีโยมคนไทยสามคนเป็นหมอหนึ่งเป็นวิศวกรไอโยมกระจก น, นี่เป็นอะไรนเนหมอองค์ครับเป็น IT ทีอที ซอฟแว n g i n e e r อ่์วันนี้ก็พิ่พูดมา่วานบอกว่าอย่ า, านั่นพูดตรงทิ่นั่งนกอนผมเล่นไวก้กนั่เอยู่นี่บตอนสอบกระลอนบอก่อนก่อนทอ ก, กวันนี้ผมรู้รูปมาชัดเออผมสงสัยมานานม่รู้รูปแล้วก็ตื่นรุนรุนเลยนะพอรู้รูปรลดลดมาก็ <c oughs> ตื่นรุรุนหน้าตาแบบโหยิ่งยักองใสขึ้นมาเลยอ่ะอยากบอกเลยอ่ะ หรือคนอรอยากโอนกันเลยอ่ะแต่คนมันมีของนะด้วยเขาพูดออกมาต้องเข้าใจเรื่องรูปนาวสาภาวะเนี่ย้เมื่อวานไม่รู้ทาไาตัดพาดกันดูแล้กันไม่เจอก็เลยในเหลามีคนเดินกับโอหอวานบผมรูวมแล้วก็โอ้ผมรู้สึกสบายตัวผมไม่ได้อยู่ความคิด ก็พูดเอาติาบมาขอขนมังให้ก็เ ป, ป็นติบเลยอ่ะออเอยให้รางวัไปเลยคนระัอเอไอะไรนะเอ็มันก็หลังอยู่ในตู้เย็นกนะันแล้วไปเลยไปนี้ต้องการเป็นวิตด้วยเลยเนยเขาหลับอยู่นเมื่อว า, วานเดินไปเดินมาเดินสองสามชั่วโมงนะนนไม่ยอมนั่งไม่ยอมไรสเข้าห้องน้ำมันไปไปพอมได้อารมณ์ปฏิบัติึ้นม า, ม, ามาเลยอือนค่ะ่ช่วยพวกเราเมืไทร่างใง เลยภาษาไทยเป็นภาษาไปถึงิากษามี Clone, ้ยนะหรอว่หลวงปู่เทียนกิตตโพนเนี่ยนี่แหละคือคสอนหลวงปู่เทียนได้เขียนด้วยแม่ภาษาไทยประ่วานเห็นว่าเป็นบารลุปุถุเรียนเลวงปู่เียนมีคาเด่นๆอยู่แ้เช่นเวลาปฏิบัติในไระกนหลวงปู่เรียนก็ยกมือเนี่ยมันเป็นรูปแบบยังไงบ้างเราเรียนตามพ่อตามครูแล้วแบบไม่ต้องบนอะไรม่ต้องมีคำวบรีคำเลยนะ สัมผัสแล้วก็รู้สึกไป้วแหละครับแค่ี่เวลารู้สึกเนี่ให้รู้สึกซื่อน่ไปหาความหมายรู้สัมผัสแล้วรู้สึกก็ทิ้งไปเลยรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยสนใจเอาตัวใหม่ตลดรู้สึกซื่ออย่าไปหาความหมายสัมผัสแล้วก็แล้วไปรู้ตรงตงตัวเนี่ยรู้ตรงองมซื่อซื่อตรงพรงเนื่อหรือตรงซื่อภาษาอีสาประเทศไทยนะ ไม่ดีน่นเป็นคนอีสานแบบถาเป็นคนอีสานยกเือเน่ยแสดงอีสานยศนกอีสานแบ่ในอีสานยกมือเนี่ยยศแทนอีสานยกคอยเลยนะยังไปถึงในคนไทยเนอ่ยอีสานผู้สืบสืผู้สืบสืบเาไปหาควาหมายในการยก สติร่างกายอยู่รู้ตรงตรรู้ทรงตร ง, ร ต, งตรง ต, ตงต่อความปจริงเนี่ยตรง่อสธรรมให้ตรงไมรปมันแัดภาพมันรู้อยู่แหะมัน ป, ปลุกเท่นี้ปลกจิวิญญาณเ่อเป็นท่านรู้ตื่นมท่านรู้เ่อาหลงเนี่ยเปลี่ย น, ม, ม, ม, น ม, มันให้ <'Cause> when, มัรู้ถ้ารู้ก็ว่าถ้าหลงก็ไม่ว่ามันอยู่แค่นั้มีท่ารู้มีทานหลัี buy, <Yeah. S 2> ่ทลาย <Yeah. S 2> มันก็จะดูดกลม เ, เวลาปฏิบัติธรรมเมื่อกี้ใครนําลุนเทศสัตติเนะโดยเทพสัตตินี่อยู่เทศสัตติเลยด้วยนําพุนเทศสัตินะอเทศสัติชายูมนยหายไ s แล้ว ไม่เจออะนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่สองตัวรู้เฉยเไอ้ตัวรู้เฉยเฉยก็เป็นกบฏขานไงคือรู้แล้วปกติจะมีความหมายอะไรมากมายเรื่องพอใจไหมพอใจรู้แล้วจะแตกขานแตกแส้รู้ซื่อไม่ได้รู้ซื่อๆอะไรนะรู้แล้วมันรู้อ่ะคืออะไรอ่ะในความหมายแตกช้านะ เวลาโดนเ่ความหมายแตกฉานหมดเลยฟานเลยแกันนี้ไอ้คาว่ารู้เฉยๆอันนี้มันเป็นลักษณะของรู้แล้วก็เป็นตัวลักษณะงานวิจัยเกิดขึ้นมาไม่ได้รู้แล้วไปแทรกแซงมันรู้แล้วอย่างนั้นงยิ่เางีั่อันนี้เป็นเรื่องสจิตนะเรื่องของจิตของใจแต่ถ้าเ่าตัวกายก็ผ่อนคลายมาเทาแก้ไขเหมือนทุกกาย แต่ถ้าเรื่องจิตใจนี่ก็คือกลับมารู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวจะเห็นแอาการเหล่านะั้นมันมาแล้วเราผ่านไมันมาสล้วผ่านไปก็เลยเห็นการเกิดดับมันต้องเข้าใจทุกคนนะที่ไปบัตรตรงๆมันจะมีสภาวะรับรองมาอยู่เหมือนกับการเรียนอนุบาลในไงประถมในไงเราศึกษาไงห ร, ร, ร, ร, รือว่า ไ, ไ, ไม่รู้ เราเรียนจบแล้วเริ oh. like ่มต้นใหม่เรียนรู้ว่าของจริงอยู่ที่เรื่องเนาะอ้าต่อมาก็คือสุบัรณิดอะไรไม่ปิดนะหน้าจอเปิดหน่อยเปิดหน่อยอาจจะนู้ยอีกแล้วนู้ยลองกดไมค์ที่เราเป็นคนไทยโยปูมแลรว้ไหเราเป็นคน เทพสิเ er นี่ยนัมจะบูรหรืออยู่เทพสถิตนะไม้ได้ยินแล้ว อ, อ, อยู่เทพสถิตหนุ่มตารูกมนี้ยอยู่อะไรนะเนี่ยเกษตรสมบูรณนะ์ใช่มนตอยู่เกษตรสมบูรณ์ หนะหเห็นลูกตาหรือไม่เนี่ยเห็น้วมมาดีลูกตาไงยังอยู่ใกล้ๆกลูกตาเลยเนี่ยมานะอยู่ที่นี่จะเป็นไลเซนและเป็นคนอเมริกันนแหละ ญาติทันนี่ยอยู่ตรงไหนก็อุดนเนาะมีความเรียกว่าเป็นมิตรมิตรภาพอุ่นใจอุ่นใจไอ้ต่อมาก็คือหลวงปูออ่เทียนบอกให้รู้ในปัจจุบันนะรู้ในปัจจุบันเมื่อกี้อะไรอยอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันจะรู้เมื่อรู้มันจะเป็นก็เป็นมันจะเห็นเมื่อเห็นมันจะนมีะ เ, ม, เ ม, ม, มื่อมี เหมือนกับอะไรเหมือนกับเปียกเท่ยการบม่มกลนะ้วยก็ได้เรารู้สึกตัวคือเอากล้วยไปบ่มก็ไดนะ้เวลาเรารู้สึกตัวเนี่ยส่วนกล้วยจะเหลืองไม่เอาสีวิทาปยายได้เกิดนเนี่ยมันก็เลื่องของมันมีเรื่องของทั้งบตปีก้งท้งบสต์ปี้งมีส่ะเป็นเสพขอคนที่ส่งมาเองอะไรคืออะไรไม่รู้ว่า ม, มีเก็บ่มกล้วยมีหน้าที่เอาแก๊สใส่มีหน้าที่เอากระสอบไบม่มมาม่วงอะไรนะ ผมจะเหลือเมื่อหลือมันเองมันจะเหลือกาเลยบาระชับในความรู้สึกตัวปนแบบนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ก่อนนะรู้เทาที่รู้เห็นแต่มันเห็นเาห้มันเป็นอ้ที่มันเป็นน่แล้วปวดไม่กรเริ่อมันมีเหลือเรนะแม้ราไม่เคยไโชค่ะขออ lab. ทำไมต้องรู้แบบนี้หนึ่งในจัง2วะไงสองมันเป็นการเกิดด่างไงเป็นกดกระใจรักไงใช่ไหมละ่ะสัวรู้ัถ้าเปลี่ยนเที่ยงมันกเขียนมาที่ไนไปเข็ยนมาที่ไหนตองรที่ขาดไหนต้องแ ย, ยกใครนาดไหใช่ไเนีทำใ้ไม่้เป็นกันแล้วกันแต่ก็ต้องอยากรู้อย่างนี้อากเป็นอย่างนี้นรู้กันนปัจจุบับนสัมผัสภาพรู้เลยจริง เป็นเรื่อการวางวางกายวางใจาวางกายวางใจไปนี่ก็มันก็เป็นความรู้สึกฟังกวายเป็นปับเป็ฝ่ายอะไรจะสุขก็ไปใค่แท้ทุกข์ก็ไปใค่มันเลยมีข้สุดทุกขก็เวทนาไม่ว่าสัญญายาสัญญายยตระหนักอะไรมันมีแบบนั้นอยู่เลยสุขอย่หรือว่าทุกข์ก็ไปใคร่อไรแล้เรื่องพวกนี้ เรารู้เป็นปฏิบันไม่ได้เครามเทคนิคของผู้เรียนที่บอกมาต่อมาเพือให้มีความต่อเนื่องเวลาเรารู้อย่างเชั่วโมงเนี่ยเนี่ยอย่างวันนี้ก็ให้เร็วทีเท่าเดี่ินข้า ว, วยางเง้างกลุ่มทางพรทางโค้ชทได้เีีกข้าหมดล เ, เลยอยตัดเวลาสันาส้นเาจะได้เงินในการปฏิบังเวลาได้เฉยใกนกามสรุปที่ประเทศไทยทียย่นี้ความต่อเื่องเ ที่นี่เขียนให้ลูกตาน้ำเอาไว้เอป็นลูกตาน้สาต้มน้มํมานะคือเปรียบเทียบว่าโบราณเขาต้มน้ำกับปฏิบัติที่เยมีการต้มน้ำอยู่ตรงนแต่ของเราใช้กาวยิปซ่าใช่ไหมในการยิปซ่าได้เปรียบเปรียบเทียบกาที่เป็นฟืนกนได้ต้มน้ำเราองการต้มน้าคือให้เดือดถูกไหน้ำร้อนที่เดือด พี่ดีเขาเทเวลาเดือดใช่ไหมมีเสียงจะได้รู้แล้วว่าเดือดไะมมันบอกเรากาีกว่ากาอัจฉริยะถ้เป็นบ้านเราลืมปิดกาไหมมันไม่ฟองมันไม่บอ ก, บอกยกตัวอย่างแบโต้นนะนต้มแห่นาทีเดือนแก๊สดีดีไฟดีดีดีเดือนหมดเดือนจบนเลยไงแต่เราหนึนนาทีชักปั๊กออก หนึ่งนาทียกกาะองออกอหอต้มทั้งปีทั้เดือนอทั้งเดือนอทั้เดือนต้มทั้วันทั้งเดือนเจแต่ถ้าา้ี่เดียวมันเดียวจบเลยให้เครือความต่อมไม่อะไรเวลาปฏิบัติสมนทนี่มาสิเนี่ยอเออจะไหวให้มาทำเต็มที่ลมันมาตั้งแต่เที่ยงครึ่งกะบ่ายโงถึงต้แหลมีาโมงจะกระจาเลยอหอเดินจมปมอยู่ที่ไหนอ า, านจารย์ ก, ก็กดีจิ๋วมันก็ดี พอมาเอาการเยี่การแสดงออกมาเลยอันนี้คือความตอบเรื่องผมเข้าใจไหล่ะเป็นความตอบเรี่องอะไรที่นักเรียนไม่อ่านถงเที่เป็นเป็นวันที่เราเอาคาสอนของ่านคำชี้คำบอกแทมาปฏิบัติน้อมหมมีความเชื่อมีความศรัทธาก็เห็นพระอู้ศูนย์ก็คือได้ทานได้ยินได้ฟังพระอูสูนยลยมันไม่ได้ด่วนรบไม่ได้ด่วนไปเสร็จก็ปันเขาใไม้ใไหมล่ะ ที่เกาเคยใจเคยบอกไว้เราเคยจำได้หมายรู้อยู่เคยทำป้ายเลยกรื่อคือคาสอที่ท่านพายชี้ละั่งตรงเรื่อราสั่ไม่ตอบครั้พุเจ้าเหมือนกันทนเวลาทุกคนถาในรู้มาก่อนเงปกพี่ที่ว่าเลอยู่ปีแข่งเราแต่กะเขียนอะไรแปลกๆ ตึดทอดเป็นทุกวันตนิดต่ต่อไปเ่ยดนคัสอนเรื่อยๆิดหาสูรวกนีชตงสมมตที่วัดโบกนะวัดโบกที่ฝอนแกวัดหลวงปู่เจียนแท้วัดวัดโบกเห็นก็มีโปรแกรมสื่มาเช้าในทางโยมจูส่งมแลรวก็จะมีคิวหลวงพ่อมาหาหลายที่ก็เป็นแค่วัดในเนี่แล้วไคเขียชื่อว่า คำสอนเรื่องการเจรอสติใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงจริงของเราประจําวันจะคจะใช้บทีหยไอ้สมองมันจะแล่นมาเลยนะมันก็ตองบทนี้เนี่ยวันนี้ท่านคุยกับอาจารย์ภูเพมอยู่ตรงนี้เออมันมีกำหนดการอยู่นึกเลยว่าทาเป็นนักเรียนเป็นข้าประโยชน์ถ้าเรียนบทตอบคำถามได้บมดไอ้เราเองไม่ได้เรียนมาแต่สมองมันแล่นเรียกว่าแล่นแบบเปื่อน แต่แบบมันม so ีต่างๆธนาคารสถาบันไหนรับรองเลยแต่แรกแบบนันก็มีอยู่วันไหนวันเดียวคือหมดของสติปัฏฐานสี่ขาพระเจ้าได้พูดเอาไว้ที่เมืองกำไม่จะทำไรีบมเมืองกำไม่จะทำไหพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่บอกที่นั่นน่ะนกแขกเต้าแล้วบรรยากาศทนกแขกเต้า เกิดมาเนี่ยคุยอวดกันอย่างเดียวเลยว่ารู้สึกตัวหรือเปล่ากำลังกำหนดฐานไหนอยู่และอีกางก็คือเธอมีสติตั้งแต่อายุกี่กวบและอีกางคือเขาว่าตอนนี้กําลังกดหนดฐานไหนอยู่ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตหรือฐานธรรมก็ถามกันเลยนะเขาไม่ได้ถามไปสิขุณพ่อนี่ขุนอัตตนุน ไม่มีกุดได้ไม่มีเมียตอนนี้กำลังกำหนงทางไหนกันอยู่ขนาดชาวบ้านนะที่เมืองกำม่าจะทำมะไเป็นฐานตอนเหืองเมืองมิลเดรรีเป็นพันสดุจนก็บอกว่าการเจรษญสตรีฐานทั้งสีที่นั่นถ้าใครตอบไม่ได้ว่ากำหนดทางไหนอยู่ก็บอก ที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกประมาณแล้วไม่รู้ใครไปแต่งมเติมแบบเราอาจเจอในบทบทได้พิการรู t <t ้ส mm ึก yes, ็บอกว่าถ้าเกิดคำถามน่หคำฐานไหนอยู่ฐานกายอยู่เอ็นกายอยู่ด้วอ็นอยู่ดูจิตอยู่ดูฐานธรรมอยู่พุยธาส์ทุกองสมิตสมนักจะบุ้บัตขึ้นไหมเพื่อพวกเราแท้ เรื่อหมดเนี่ยถ้าเป็นเตี้ยน่้มีดีว่าระเทพหมดเลยหมสติมีฐานแลโดยเฉพาะของี่เกว่าสมรยำปักแพก็จะตื่นเป็นที่สุขตยึดคตัวในการ9้าไปข้างหน้าถอยมาั้กคือเดินจุกโกกันเนีุกโคือมีสติในการเดินชันก็คือมีสติในการกินข้าวหน้ามีสติในการถามหน้านรู ยงกลมมีสต sure. ิในการเดินใช่ไหมล่ะพิสูจตว่มีความรูสตัวทุกฟันในการแล้วยายเดียวกว่างในกลังคำอยู่รู้สึกตัวอยู <the MA> ่แขนซ้ายขวาพอรู้สึกได้เป <the> ็นนล้วตกใจมันปุ๊บเลยนะมันคือใจตกเวลาท็ไมได้ม่สติอีกนะมันเลยบอกรูปใหญ่ใจต้องนิ่งรูปใหญ่ใจนิ่งเก็บอาการเก็บทรงไม่เสียทรง เ่ยสมสีสมหังแล้เนี่ยนะบทเนี่ยเนบททตืต่นยันหลังพิสุขขณะที่เธอคูเหยียดเคลื่อนไหวเอาไว้คูเข้าเหยียดออกมันมีเธอเลยคูเข้าเหยียดออกพิสุขเรับทำความสุขทุกร้อมรู้สึกตัวในการอ่าินการเคี้ยวการกลือการลิ้มรส มันผมเลือกมาคนก้าวแช่บอกเลยข้าวแชาพอเรากินด้วยแล้วเคี่ยวตือริบรถอีรสชาติปรุแต่งมีเผ็ดมีหวานมีมันมีจืดมีขมมีสารพัดก็่านรบลิ้นของเรามันเบี่ยงเบียงอย่างเงี้ยอะไรมาก่อนมาหรอกมีอยู่อันหนึ่งโ่จะล่าอีกอันมันมีข้าวผัดกับกิบนำรือกับกิดะ แล้วไปุกกับข้าวแล้วผัดเข้าไปแล้วเสร็จแล้วว่าบิดน้ำมะนาวเพื่มรดเข้าไปหรือรดปลาใส่เข้าไปปรงแต่งรดจากขึ้นตนข้าไมัดูดหมดเลยไปดูดเข้าไปในเม็ดข้าวไะนั้นนะเขาตากข้าวที่ทำได้เราจืดรสชาติไม่มีเลยที่ดูดเม็ดข้าวดูดรสชาติท้หมดเลยแต่พอทักพักมาเคี้ยวมันปล่อยรดมาเลยให้เค็มมาที่หลาใ ตาแดดเลยเปี่นมาแล้นะแล้วอะไรอ๋อี่คือการใช้จิตวิสัยบันกับการมีสติมีอยู่ในวันเสาร์วันาทตเออตอมนก็คือในการถ่ายปรสจะวตาในการถ่ายอุจจาระในงานในในการนอนในการหลับในการปิดในการพูดในการชอบไปได้ยินไปแล้ววัีอยู่ในวันสุนะ เพราะนั้นเนี่ยเฮ้ยที่ว่าหลวอพ่อมาเราปรรณเทพบทนาาาีนน้นมันมีรับรองได้จริงอ้างอิงได้ส่วนบทอื่นก็มีอีอ่านาณาปานติมันมีหายใจเข้าหายใจออกอันนี้มันกับองคนประที่ไม่ออกจาคิดเยอะลมหายใจก็ละเอียดจิตก็ละเอียดใช่ไหมแต่การโยงนีมันออกจากวามคิดไปไบมีเจตนาแฝดดิเจตนากับรู้ความรู้สึกตัวเจตนาด้วนั่นดิ เราทำ ใ, ใจเราไปเรามีสมาธิทาไปสั้นมั่นลงไปเฉมันเอาความคิดอยู่ให้โดนคิดจะจะเยอะๆแ้แงแรงรู้สึกแรงๆก็แข็งขั้นงกันมันก็เลยให้ความสนใจความสุดเปิดมันมีรอชาติกว่ามีน้ำหนักกว่าประมาณนั้ น, น ส, สรุปคำสอนหลวงท่ทเทียนก็คือให้รู้สึกซื่อเฉย อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีรู้ให้เป็นปัจบันรู้ให้ต่อเนื่องได้ยินไหมทางบ้านกินอะไรกินอยู่แล้วล่ะเนาะแล้วก็ปึกไฟจะเลยสติจะเลื่อนได้แล้วแต่ไฟสุดเพื่ปัญญารอบรู้แลวเ้ยพอรูการปรุงแต่งหรือรอบรู้ความสังขารน่เรียกว่าปัญญาแต่ในขณะที่มารู้ขณะเดียวทิ้งขณะเดียวทิ้งเนี่ยใความสุขของผมเลยท่นมาเรียกว่าสัมปชัญญะมันประชันน่ ไปชันอย่างมีระยะอย่างมีในรยะอย่างมีเรียกว่าความปลอดภัยอย่างเนี้ยเรียกว่าสัมปัตชันญ ะ, ะมาสัมมาเป็นสัมปุตตสัมไปไปที่ชอบที่ชอบไกันนะเนาะ้วยังมีว ล, วลาเดี๋ยวจะมาซื้อจมูกเราพูดอารมณ์่เงีะยะปรีเห็นว่าเดี๋ยวทางคอสโค้ดลอาจจะไปกินข้าวกัน เแม่ครัวรู้คปทำของข้าวแล้วพวกมีหน้าที่แล้วก็คือหายไปถัดคอแล้วเนี่ยผมใส่ยิงข้าวแล้วเขายังอยู่ดคอพส่แล้วออมอไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะ่ายงสูงพอดี้เอาไอแพดนปดูในที่จอใหญ่มันเสียบไม่ได้ยักษคนลัวกันแต่ไอโันเสียบได้ แต่ไโปนจะญจอเล็กตามมีการเปิดอันน้นเดี๋ยวปหลักทางกัรไปเรื่อยๆหรือไทโค่แรกจะปัดข้าวไมนังกินตรงนี้นั่งฉันตรงนี้ก็ได้นะก็ไมเป็นไรหรับทางนี้ไม่ได้ฉันก็อยันนรายออกี่ิวท้องก็ก็กเปลี่ยนกินไม่ได้หมอเขาอยุญาตกัอยู่แหละหมอเ็มีไม่รับจอบเลยขอให้พารุเปียฉันเปลี่ยนได้ไปรับรองมาเลย กัวเดี๋ยวไอ้ัดเย็นก็เลยเป็นปัญหาเื่อนจบยายมีแม่เลีเยงมาแอ้ป่วยแต่ไม่กินก็ได้หรอกดือหน้าปลาหน้าออลแล้วจะกินก็ได้ไมกินก็ได้โรโมบัเป็นไงวินยังเห็นเจอย่อมๆย่เหนือเป็นไงปควยอะป่วยหนาวเย ช้าก็วงแค่เห็นใจกันยากนะใช่แข่งกับว่างงมไปช้าตื่นมาเมื่อคืนนอนไม่หลับเมื่อคืนน่ะ เดี๋ยววันศุกรูช้าองค์สุริยสมัมจ้าหรือว่าลูกเราวันสองวันนี้เปงานหลวงปู่เทียนครับแต่ที่สำคัญคือเป็นปูชาตัวเองนั่นะมันไม่ใช่ง า, าที่ปูช้าใอ้ที่แบบคนกระดาใช่จะเป็นงางที่ปูชา้าไปเขส่ทูแบบว่าไานีราวนาครบรื่นเนาะแค่นี้ากา่อนแล้วอยาให้สรุป รู้สึกตัวอย่างเดิมนะรู้แบบไม่เอาอะไรรู้แบบรู้เฉยเฉยหรเปล่าจนจนิตมัไม่มีความหมายในการชะันไม่ได้คาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยความแบบค ง, ร, งรู้สึกรู้สึกระาับ้ใช้ฉยพ อ, อ, อมีอาการทุกข์เกิดขึ้นเช่นทุกข์กายให้รู้วแบบ่านั่นคือทุกขัง เป็นมีคันทุกที่คนไม่ได้จะเป็นก้อนพุ่แน่นอนที่เราเคลื่อนไหวมันก็้พุเลยนะแล้วมีการีว่าเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้มันเป็นมีความรู้สึกตัวที่มันเกี่วอเ็นการในกายอย่างสัตว์สตัวตนตัวเราบ้เป็น ก็คือมันมีกายทั้งตัวเยอ่แยะอยู่ๆมาเคลื่อนัเดเดียวกายในกายในกายทั้งตัวเนี่ยแต่เอาเยอว่าส่วนใดส่วนหนึ่งอเคลื่อนไหมอ่าอย่างเงี้ยคือกายในกายเนี่งแทนที่ไปดูทั้งหมดถ้าดูส่วนเดียวส่วนเนื้ลมหายใจที่ส่วนเดียวส่วนนื้อเนี่ยมันเป็นกาย่อยู่ในกายเข้าใจได้ไหพูดอย่างเงี้ยถ้าใจยังง่านิดหน่อยเอออาาร้ าภาษาไทยอธิบายนี่เป็นแล้วเด็กอธิาม่รคืออะไรเวทนาในเวทนาแก็ทาไมกันเนี่ยรู้สึกว่าทไมอ่ะเมื่อกี้ได้สูงไกเวลาสองผานรู้แค่คนอื่นมาสัมผันการได้สูงป็นถูกใช่ไหมให้เข้าใจตรงนี้ต่อไปภาษาไทยคนไทยเราต้องเห็นทีมันเหนเจแล้ว่ไมรู้ว่าคืออะไรกันพันยานทองแกเคยหรืออะไร ตัจริงๆไปแต่ไม่ได้